ในช่วงการคุยธรรมะเราก็มาพบกันในวันจันทร์ในวัน ก็แสดงแน่ 106 ส่งมาแล้วก็เอ่อจะมาพูด แล้วเราจะหาจุดสมดุลตรงนี้ไงในตรงเนี้ยคือคือคือจริงๆหมายความว่าเราสามารถที่จะสร้างหรือทําในสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มันมันเฉพาะเจาะจง นําบริชาก็เคยบอกเอาไว้นะจึงจะนําเรื่องๆเหล่าเนี้ยมาพูดให้ฟังๆเนี่ยเอ่อมันก็มีที่เลยนั้น เอ่อไหนถ้าก่อนพบก่อนคนที่ค้าขายขันทุนเนี่ยนะเข้าไปบวชวรรณนาไว้กับพระนะกับสมณะใดนะให้ขอๆใดๆ ทำได้ตามที่ตัวเองไปให้เป็นเหตุพอเค้ามาอยู่ในชาตินี้ก็ทําให้การค้าขาย นายกําลังชื่นชมว่ามากมายมหาศาลเลยนั้นนั่นก็เพราะว่าตอนชาติที่เขาๆเนี่ย มันก็มีมีผลของมันอยู่นั่นคือเรื่องเนี้ยคนที่ฟังทั่วๆไปก็อาจจะเอองั้นฉันก็ไปบอกได้กับ เนี่ยจะหรือเป็นทางร้านเป็นหน้าร้านเล็กๆนะทําขนมข้าวต้มอะไรก็นี่คือ รับแต่ถ้าคุณรับใช้ลูกค้าคุณได้อย่างดีลูกค้าคุณถ้าคุณรับใช้ลูกค้าคุณได้อย่างดีโอ้ยเขาก็ไม่ซื้อของเราเขาก็หนีไปแน่นอนแล้วตรงนี้ นะเราจะสร้างบุญด้วยการให้ทานก็ได้และในกรณีอย่างนี้เป็น 2 องค์นะองค์หนึ่งหนี นะบรรลุอาหารลักษณะนี้ชั้นสุดท้ายละหมดกิเลสหมดสิ้นหลักแต่องค์หนึ่งเนี่ยองค์แรกเนี่ยนะกล่าวว่าไม่มีเอ่ออาหารเป็นบิณฑบาตก็มี เอ๊ะทำไม 2 องค์นั้นไม่เหมือนกันนั่นก็เพราะว่าองค์แรกเนี่ยรูปแรกเนี่ยไม่ นั่นคือศีลคุณทําให้บริบูรณ์อ่ะเป็นพระฐานให้ภาวนาได้เอาแนวคุณทําให้บริบูรณ์อ่ะคุณบรรลุ 4 น้อยเดี๋ยวส่วนพระอรหันต์มี ปกการแห่งทรัพย์มากมีทรัพย์สินสมบัติอะไรต่างๆการให้ทาน ศีลในแง่ของสัมปทานก็คือศีลเป็นใบปึกปกกษัตริย์นะถ้าเราไม่มีการทําปกติ เพราะจะมาขุดคุยเรื่องราวกลัวที่จะขายไม่ได้มันก็กังวลไปหมดจิตใจธุรกิจการเมือง แม่โอ้โหมันก็พูดยากแล้วเพราะฉะนั้นเราจะทําจิตของเรายังไงให้มันยังสบายอยู่ได้จะทําจิตยังไงให้ยัง ก็จะประสิทธิภาพลดลงไปมากทีเดียวณตัดสินใจในช่วงเวลาที่คับขันนะท่านผู้ฟังนั้น การเงียบการข่มการมีพลังพวกเนี้ยจิตต้องมีกําลังแต่กําลังเนี่ยภาวนานั่น 3 4 อย่างนี่จะทําให้เราอยากปรารถนา การที่เรามีทานศีลภาวนาการที่เราเป็นศีลสมาธิปัญญานะเราฝึกจิตทั้ง 2 นะฝึกจิตทีนี้ว่า ถึงแม้แต่ในศีลเองก็ตาม er 5 อย่าง 7 อย่าง 8 อย่าง 10 อย่างบ้างเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเราเอ่อ รดน้ํารวนดินใส่ปุ๋ยแล้วต้นไม้ก็จะโตขึ้นได้ แต่ข้อนี้มีแปลงที่เตรียมๆนะลงดินจริงๆแล้วก็ต้องมาคอย นะเรามีความมั่นใจว่าในการปฏิบัติของเรานี้ได้ทําตรงไหนได้ก็เอาและปฏิบัติไปแล้วเนี่ยเอ่อเวลา ไหนจะมีกําลังที่จะสู้ต่อไปนั้นด้วยจิตใจที่สบายๆด้วยจิตใจที่มีกําลังการฝึกภาวนานั่นเองการ เอาความตระหนี่เนี่ยออกจากจิตของเราในถ้าเอาความตระหนี่อะไรพัฒนานั่นคือคําว่าภาวนาเนี่ยเป็นภาษาบาลีแปลเป็นภาษาอย่างคุณสละ สบายละเพราะฉะนั้นเราก็ให้ทําไปใน 106 นะถ้าติดต่อมาแล้วก็